เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุดที่24มิทุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันพระเป็นวันธรรมัสมานะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันทำหน้าที่ ของพุทธศาสนาที่ดีที่พระพุทธเจ้าได้สมมอมหมายไว้ให้ทํามีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. ให้ทําความดีที่ยังไม่ได้ทําให้เกิดขึ้น 2. ให้รักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้หดหายไป 3. ให้รับบาปที่ยังไม่ได้รับ และสให้ป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือหน้าที่สีประการด้วยกันที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันพระในวันธรรมบัษสวนะนี้เองคือมาทำบุญให้ทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทานั่นเองเพราะเป็นการทำความดีเป็นการละกระทาความบาปและเป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธศาสนกชนจึงควร น้อมเอาหน้าที่นี้มาทําด้วยศรัท ธ, ธาด้วยฉันทะวิรยิยะจิตตาวิมังสาแล้วประโยชน์สุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับก็จะเป็นประโยชน์สุขของพวกเราต่อไปอย่างแน่นอนเพราะธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอาการลิโกคือทำได้ทำเวลาไหนก็จะได้ผลในเวลานั้นทำในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยองมีพระชนชีพอยู่ก็มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากทำในสมัยนี้ก็มีผู้บรรลุบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันจึงไม่ต้องลังเลสงสัยอย่าไปคิดว่า พระพุทธเจ้าสเสด็จจากพวกเราไปแล้วการปฏิบัติก็จะไม่เป็นผลอีกต่อไปอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดต้องเห็นว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่หรือไม่ก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอยู่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อ การหลุดพ้นเพื่อมากผลผนิพพานเราก็ย่อมจะได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะผลนี้เป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นเองเช่นในข้อแรกท่านสอนว่าให้ทำความดีหรือทำบุญที่เรายังไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่เคยสายบา เราก็เริ่มใส่บาทถ้าเราเคยใส่บาทรแล้วแต่ใส่เฉพาะวันเดียวเราก็ใส่หลายวันพยายามใส่ให้ครบทุกวันอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำความดีที่ยังไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นถามตัวเราเองว่าตอนนี้มีความดีอะไรบ้างที่เรายังไม่ทำนอกจากการให้ทานแล้วมีอะไรอีกการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นความดีอย่าง พฟังแล้วก็จะได้ธรรมะได้ปัญญาได้ความเห็นที่ถูกต้องได้ความชลาได้ความสงบสุขได้ตัดความสงสัยให้ออกไปจากใจได้นี่ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งที่เราพึงกระทาอย่างสม่ำเสมอถ้าฟังธรรมะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันธรรมะสวัสอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เรามีสื่อต่างๆางางมีแผ่นซีดีมีเทปมีวิทยุมีโทรทัศน์เราสามารถฟังธรรมได้ทุกๆวันเลยหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราก็อ่านหนังสือธรรมะแทนก็ได้อ่านหนังสือธรรมะก็เท่ากับเป็นการได้ได้ยินได้ฟังธรรมเช่นเดียวกันอ่านให้มากฟังให้มากแล้วจะรู้มาก จะรู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าให้มีความสุขมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลาดับดังนั้นถ้าเราไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมก็ควรจะเริ่มฟังเทศกันฟังได้ทุกวันวันละฟังวันละวันวันละสองสามครั้งก็ฟังได้แต่ต้องฟังแบบให้เกิดประโยชน์คืออย่าฟังแบบทับพีในหม้อแกง ฟังแต่เสียงแต่ไม่ได้ใจไม่ได้คิดตามใจไปคิดเรื่องอื่นเช่นขณะ น, นี้กำลังฟังเทศอยู่แต่ใจอาจจะไปคิดถึงบ้านคิดถึงงานที่จะไปทาถ้าฟังแบบนี้เรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงเพราะจะไม่สัมผัสรับรู้กับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดปัญญา จะไม่เกิดความเห็นที่ถูกต้องจะไม่ทำให้กระจัดความสงสัยไปได้ฟังต้องฟังด้วยใจที่จดจ่อมีสติฟังอยู่ทุกลมหาทุกคำพูดฟังมาแล้วก็พิจารณาตามพิจารณาไปถ้าเข้าใจก็จะเกิดก็จะเกิดเป็นปัญญาบรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างในสมัยพระพุทธการ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในแต่ละครั้งจะมีผู้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันเป็นจำนวนมากเพราะการแสดงผู้แสดงก็ฟังก็แสดงของจริงทาแท้ผู้ฟังก็ฟังด้วยผ่านตั้งใจฟังด้วยใจที่จดจอ่อฟังด้วยใจที่ไข้ควรวญพิจารณาพอไข้ควรวญพิจารณาตามก็จะเห็น ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะสามารถตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากใจได้ก็จะเลูกทำขึ้นมานี่เป็นเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญถึงแม้ว่าเราฟังแล้วเรายังไม่บรรลุธรรมอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่า เราต้องทําอะไรกันบ้างเช่นวันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทําอยู่สี่ข้อด้วยกันคือทําความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หดหายไปละบา ท, ที่ยังไม่ได้ละแล้วก็ป้องกันไม่ให้บา ท, ที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีก บาปก็คืออย่างที่พวกเราได้ทำกันเมื่อกี้นี้ละบาปก็คือด้วยการสมาท า, า, านสมาทานศีลห้าหรือสมาทานศีนล8ปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการละบาละจากอะไรละจากการข้าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดบรเวณีพูดปดเสพสุรายามาอย่างนี้เรียกว่าศีลห้า ถ้าเคยรักษาเพียงวันเดียวก็เพิ่มขึ้นไปให้เป็นหลายวันจากวันก็เป็นสองวันสามวันต่อไปก็รักษาทุกวันได้ไม่ยากเย็นอะไรถ้ารักษาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีกำลังใจที่จะรักษาต่อไปพอรักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปก็เริ่มรักษาศีลแปเช่นวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าให้ครบทุกวัน พอมาวันพระวันธรรมสวรนะก็มารักษาศีลแปดกันเพิ่มอีกสามข้อเพิ่มข้อที่หคือไม่รับประทานอาหารจากหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อที่7ก็คือไม่หาความสุขจากรูปเสียงกินลดต่างๆเช่นการดูหนังฟังเพลงร้องลำมทำเพลงดูละครดูการรับเล่นต่างๆ หรือการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามแต่งหน้าทาปากฉลนร่างกายด้วยกลิ่นหอมต่างๆจะไม่หาความสุขแบบนี้จะหาความสุขจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายนั่นเองสุขใดในโลกนี้ จะไม่มีความเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจผู้ใดได้รับสัมผัสกับความสงบของใจแล้วจะสามารถตัดการหาความสุขจากสิ่งอื่นๆได้หมดจะตัดสามีตัดภรรยาได้จะตัดการหาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ไม่ต้องเดินสุราไม่ต้องดูหนังดูละครร้องรำทำเพลงไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าอยู่ในใจสุขที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆนึงจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้ พอจิตสงบแล้วก็จะไม่มีความหิวความอยากกับอะไรทั้งหลายนี่คือข้อที่7ส่วนข้อที่8ก็ให้ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนไม่นอนบนฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นแข็งๆปูเสือ่อปูผ้าเพราะจะได้ไม่นอนนานนั่นเองร่างกายต้องการ พัาผ่อนเพนสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกนะหนาๆพอร่างกายพักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมากิเลสจะไม่ยอมให้ลุกกิเลสบอกว่าแหมสบายเหลือเกินเบาะนี่นุ่มเหลือเกินขอนอนต่ออีกสักหน่อยนะก็เลยต่อไปอีกสามสี่ชั่วโมงก็จะเสียเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งที่จะเอามา ปฏิบัติอามาซาับภายในก็จะไม่ได้ทำเวลาก็อาจจะไม่พอเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นั่นเองไม่มีใครรับรองได้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตมีเวลาขอให้เรารีบตักตวงดังภาษิตโบราณที่ที่พูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเอง น้ำขึ้นก็คือเรายังมีชีวิตอยู่นี่คือน้ำขึ้นเรามีโอกาสตัก ต, กตวงมรรคผลนิพพานตักตวงบุญกุศลต่างๆให้เต็มหัวใจของเราได้แต่ถ้าเราหมดเวลาไปกับการรับประทานกับการหลับนอนกับการหาความสุขท้งรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเราก็จะเสียเวลาไปแล้วจะอาจไม่อาจจะไม่ทันการ พอพอจะปฏิบัติเข้าเดี๋ยวก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่สบายบ้างหรือมีภารกิจต่างๆมารุมเราให้ต้องไปทำดังนั้นเราจึงต้องหาเวลาสร้างเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเช่นนอนให้น้อยลงไปนอนเท่าที่ร่างกายต้องการร่างกายนี้นอนคืนละสี ห้าชั่วโมงนี้ก็พอแล้วนี่คือพระพุทธเจ้าได้ทรงพระสูน์มาแล้วทรงหลับนอนสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งคืนสี่ทุ่มถึงตีสองนี่ทรงหลับนอนตอนหน้านั้นตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพอตีสองถึงหกโมงเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อ นี่คือเวลาที่มีคุณค่าที่เราควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเรานอกจากการปฏิบัติธรรมและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นยังอื่นไม่เป็นประโยชน์ยังอื่นเป็นพิศแก่จิตใจเช่นหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จะสร้างความทุกข์ให้กับใจจะสร้างความว้าวุ่นขุ่น ม, มัวเศ้าซ้อย ห, อห้อยเหงาจะสร้างความเบื่อหนา่ายจะสร้างความดิ้นดนให้เกิดขึ้นภายในใจไม่เชื่อไปดูคนที่ดื่มสุราหรือสูบบุรีดูเวลาที่เขาไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้สูบบุหรีีเขาจะหุดหงุดทำคาญใจเกวอนกวายกระสับกระสายมือไม้สั่น ทำอะไรไม่ได้ต้องได้สูบบุหรี่ต้องได้ดื่มสุราถึงจะหายแต่คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มสุรานี้กลับไม่เป็นอะไรสบายไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้สูบบุหรี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนดังนั้นเราจึงต้องเห็นโทษของการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัภชะต่างๆว่า มันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณมันให้ความสุขเราเพียงเดียวเดียวในช่วงที่เราได้เสพได้สัมผัสแต่หลังจากนั้นมันก็จะทำให้เราเกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความต้องการขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราไม่ได้เสพตามที่เราอยากเราก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความ เบื่อหน่ายเกิดความอิจฉาละอาใจเกิดความท้อแท้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆขึ้นมาภายในใจเนื่องจากติดสุราติดโรดดี้นี้เองดังนั้นขอให้เราพยายามอย่าหาความสุขจากรูปเสียงจิ่นโผลทพธะอย่าหาความสุขจากการดูหนังดูละครฟังเพลงดื่มเครื่องดื่ ม, ม, ม, มชนิดต่างๆ หรอรับประทานขนมชนิดต่างๆถ้าจะดื่นจะรับประทานก็ให้เดิมแบบรับประทานยาคือรักษาเพื่อรักษาร่างกายรับประทานให้เป็นเวลาเช่นถ้าถือสีแป้งก็รับประทานต้องรับประทานก่อนเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอีกต่อไปจะรับประทานอีกครั้งก็ต้องรอให้เป็นวันใหม่ก่อน นี่เป็นการรับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยาเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุดนั่นเองถ้ารับประทานตามความอยากอยากจะรับประทานอะไรอยากจะดื่มอะไรเมื่ อ, อไหร่ก็ดื่มก็รับประทานอย่างนี้ก็จะเป็นการให้ยาพิษกับจิตใจเพราะ เวลาที่อยากจะประรับประทานหรืออยากจะดื่มเมื่อไม่ได้รับประทานไม่ได้ดื่มก็จะหงุดหงิดลำคาญใจดังนั้นขอให้เราพยายามลดความสุขทางตาหูจมูกลื้นกายด้วยการถือศีลแปดด้วยการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิดินจงกรมส่วนศีลข้อที่สที่เป็นกามเมก็ให้เปลี่ยนเป็นอพรรมจริยา การเมนีแปลว่ายัางสามารถร่วมหลับนอนได้แต่ต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไปเช่นั้นจะถือว่าเป็นการผิดประเพณีแต่ถ้าถือศีลแปด ก, ก็จะถืออภรรมจริยาเวรมณีแปลว่าจะถือศีลพรหมจรรย์จะไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแม้จะเป็นคู่ครองของตนก็ตาม จะขอละเว้นชั่วคราวจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่คือความดีต่างๆที่เราควรจะทำถ้าเรายัางไม่ได้ทำถ้าเราได้ทำแล้วเราก็ต้องรักษาไว้เช่นถ้าเรารักษาสิงแปดทุกวันพระเราก็ต้องรักษาต่อไปแล้วถ้าเราอยากจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้น เราก็ต้องเพิ่มวันขึ้นไปนอกจากวันพระแล้วเราก็รับรักษาวันอื่นต่อไปก็ได้รักษาวันโกนรักษาวันหลังวันพระหรือจะรักษาทุกวันเลยก็ได้ซึ่งมีคนที่มาอยู่วัดเขาก็รักษาศีลแปทุกวันไปเลยหรือถ้าอยากจะรักษาศีลมากกว่านี้ก็บวชเป็นพระไปเลยรักษาศีลสินเ22ข้อไป อย่างนี้ก็ถือว่าได้ทําความดีอย่างเต็มที่ได้ละบาปอย่างเต็มที่การปฏิบัติก็จะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนจะไม่ทําภารกิจอย่างอื่นนอกจากจําเป็นของนักบวชก็มีการออกบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็มาฉันที่ศาลาหลังจากฉันเสร็จที่ศาลาก็ปัดกวาดเก็บกวาดทาความสะอาด แต่ในขณะที่ทำก็ปฏิบัติทำไปด้วย ป, ปฏิบัติทำอะไรก็คือการเจริญสตินั่นเองเวลาทำจิตก็ให้มีสติควบคุมจิตให้อยู่กับกิตที่กำลังทำอยู่ไม่ให้ไปคุยกันไม่ให้ไปพูดกันไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับกิตที่กำลังทำอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัว ในขณะที่ทากิจวัตรต่างๆที่จำเป็นเช่นปัดกวาดเดินบินทบากหรือแม้แต่เวลาขบฉันก็กปฏิบัติได้ให้มีสติอยู่กับการฉันแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาอาหารว่าอาหารที่รับประทานนี้รับประทานเพื่อเป็นยารักษาร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขให้พิจารณาเห็นสภาพของอาหาร ที่อยู่ในบาทที่อยู่ในจานแล้วก็พิจารณาถึงสภาพเวลาที่อยู่ในปากที่ถูกเที้ยวถูกบดผสมกับน้าลายถ้าคลายออกมาแล้วจะรับประทานเข้าไปใหม่ได้หรือเปล่านี่ต้องการให้พิจารณาเพื่อจะได้ไม่ให้ติดรสชาติกับของอาหารไม่ให้รับประทานด้วยความอยาก แต่ให้รับประทานด้วยความจำเป็นเท่านั้นเหมือนกับการรับประทานยาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะไม่อยากอาหารจะรับประทานไปเหมือนกับรับประทานยายานี่เราไม่อยากรับประทานกันแต่เรารู้ว่าเราต้องรับประทานยาถ้าเราอยากจะหายจากโรคไภัยไข้เจ็บฉันใดถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเราอยู่อย่างปกติสุข แต่ไม่อยากทําให้เกิดกิเลสตัณหาที่เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเราก็ต้องพิจารณาปฏิกูลของอาหารอย่าไปดูในส่วนที่สวยน่ากินอย่างเดียวเช่นในขณะที่อยู่ในจานให้ดูในขณะที่อยู่ในปากว่าเป็นอย่างไรให้ดูในขณะที่อยู่ในท้องว่าเป็นอย่างไรในพิจารณาอย่างนี้แล้ว รับประทานอาหารโดยไม่มีความอยากรับประทานด้วยความจําเป็นเหมือนกับรับประทานยาแล้วจะรับประทานไม่มากจะรับประทานพอประมาณก็จะรู้สึกอิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็จะหยุดแต่ถ้ารับประทานตามความอยากนี้รับประทานอิ่มแล้วก็ยังหยุดไม่ได้ยังอยากจะรับประทานต่อรับประทานจนท้องคุมกลางออกมา กลายเป็นตุ่มไปเมื่อเช้านี้ก็มีคนใส่บาตคนหนึ่งนี่ร่างกายเหมือนตุ่มเลยกลมนิดเดินก็เดินแทบจะไม่ไหวจะเดินมาใส่บาตนี้ก็ต้องค่อยๆเดินมานี้เป็นเพราะรับประทานอาหารตามความอยากถ้าเราปล่อยให้ทำอะไรตามความอยากแล้วมันนักจะสร้างความเสียหายให้กับเรา รับประทานอาหารตามความอยากก็จะมีโรคภัยต่างๆตามมามีโรคไขมันอุดตันมีโรคความดันมีโรคเบาหวานตามมาอายุ ก, ก็จะไม่อยู่ยาวนานมีมีผลเสียหลายอย่างเสียทางร่างกายและก็เสียทางจิตใจจิตใจก็จะเป็นเหมือนเปลรับประทานอิ่มมากมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่รู้สึก ไม่รู้จักอิ่มสักทียังอยากจะกินอยู่นั่นยังหิวอยู่นั่นดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรน้นปวดตาพะให้มาหาความสุขทางความสงบของใจเพราะจะเป็นทางที่จะนำเราไปสู่ความดีความเจริญ ผู้ที่รักษาศีลได้ผู้ที่ปฏิบัติทําได้นี้จะไม่ค่อยมีความโลภโมโทสันเท่าไหร่จะไม่โลภมากจะไม่โกรธง่ายแล้วก็จะไม่ชอบไปทําบาปทํากรรมไม่เหมือนกับคนที่มีความโลภโมโทสันโลภมากโกรธง่ายจะนับจะไปทําบาปทํากรรมง่ายอยากจะได้อะไรก็ไม่สนใจ ว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วขอให้ได้ในสิ่งที่ตนอยากได้แล้วตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปต้องไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นเบรฉานแต่ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยการรักษาสีทำบุญให้ทาน ใจก็จะไม่ใจก็จะมีความโลภโมโทสันนอยมจะไม่ทำบาปอีกตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมไปเกิดในอบายตายไปก็จะไปสู่สุขติไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆไปเกิดเป็นพระอริยะเจ้าชั้นต่างๆและบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราทำกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำทั้งสี่ประการคือให้ทำความดีที่เรายังไม่ได้ทำา 2. ให้รักษาความดีที่เราได้ทำแล้วไว้อย่าให้หกถ้ายไป 3. ให้ละบาปที่เรายังไม่ได้ละส 4. ให้ป้องกันไม่ให้บาปที่เราละแล้วนั้นหวนกลับคืนมา อ, อีกเช่นถ้าเรารักษาศีลแปดได้แล้วก็รักษาศีลแปต่อไปรักษาศีล5้าได้แล้วก็รักษาต่อไปถ้ารักษาได้ข้อเดียวก็ให้รักษาต่อไปแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจาก1ข้อเป็นสข้อสาข้อสี่ข้อหพข้อไปจาก1วันเป็นสวัน เป็น ท, ทุกทุกวันไปนี่เราต้องเดินไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเราอย่ายือนอยู่กับที่หรือเดินถอยหลังเพราะเราจะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ญาณโยนเวลาเดินทางมาวันนี้ก็ไม่จอดไม่อยู่ไม่ถอยหลังขับรถพุ่งมาที่วัดจึงได้เดินทางมาถึงที่วัดกันได้ถ้าไปจอดแวะที่นั่นที่นี่ไปกับรถ หันถอยหลังกลับไปอีกทางอย่างนี้ก็จะมาไม่ถึงวันมาหรือก็อาจจะสายไปเสียแล้วมาถึงวัดเขาก็เสร็จพิธีกรรมต่างๆกันหมดแล้วกลับบ้านกันไปหมดแล้วฉันใดการปฏิบัติของเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าถอยหลังอย่ายืนอยู่กับที่เพราะเวลาของเราอาจจะหมดไปก่อนก็ได้ ก่อนที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางเราจรึงควรลลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วเราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จึงอย่าประมาจจงรีบทากิจที่เราควรจะกระทำให้เสร็จสิ้นไปถ้าทำเสร็จแล้วเราก็จะสบายถึงแม้ยังไม่ตายเราก็อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ต้องทําอะไรต่อไปกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับเรานี้มีวันสิ้นสุดมีวันสําเร็จพอทําเสร็จแล้วก็ไม่มีกิจอื่นใดต้องทําอีกต่อไปแต่ถ้าทํากิจการทางโลกนี้ทําเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสิ้นไปทำเสร็จกิจอันนี้ก็มีกิจอันใหม่มาให้ทําต่อทําไปจนกว่าจะไม่มีกําลังทําเท่านั้นถึงต้องหยุด ถ้ายังมีกำลังอยู่ไม่มีใครหยุดทำงานเพราะถูกอำนาจของกิเลสคอยผลักดันให้ไปทำอยู่เรื่อยให้ไปโลภให้ไปอยากอยู่เรื่อยนั่นเองเราก็เลยกลายเป็นทาสของกิเลสไปโดยไม่รู้ตัวทำไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าแต่อย่างใดอาจจะทำให้จิตใจของเราตกตำ่ำถ้าเราทำบาปทำกรรม ด้วยในขณะที่เราทำกิจต่างๆเช่นทาด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตทาด้วยความชั่วโกงอย่างนี้ก็จะเป็นการทําให้จิตใจของเราตกต่ำไม่ได้ทําให้เราสูงจิตใจของเราสูงขึ้นเจริญขึ้นดังนั้นเราต้องระมัดระวังเวลาเราทําอะไรเราต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้ทําหรือไม่ คือละบาปที่เรายังไม่ได้ละอยู่หรือเปล่าหรือป้องกันบาปที่เราได้ละแล้วไม่ให้หวนกลับคืนมาหรือเปล่าเราได้ทำความดีที่เรายังไม่ได้ทำหรือเปล่าเรารักษาความดีที่เราได้ทำไว้นี้ให้อยู่กับเราต่อไปได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาเสมอในขณะที่เราทากิจกรรมต่าง ถ้ามันไม่อยู่ในกอรอบก็อย่าไปทำให้มันเสียเวลาเพราะมันไม่เกิดคุณมันมีแต่จะเกิดโทษดังนั้นขอให้เราจงน้อมเอาหน้าที่ลึกกิจทั้งสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับเรานี้มาปฏิบัติอย่างเค้่งครัดอย่างต่อเนื่องถ้าเราต้องการที่จะได้พบกับความสุขและความเจริญ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันจึงขอฝากเรื่องของการนำกิดทั้งสี่ประการนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย